ทำให้เราเข้าถึงวิมุตต์หรือความหลุดพ้นตัวสตินะหลวงพ่อบอกแล้วว่ามันเกิดจา ก, กจิตจําสภาวะได้แม่นแล้วตัวปัญญาเกิดจากอะไรปัญญาเกิดจากสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิไม่เหมือนกันที่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ทํากันอยู่นั้นมันเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิเพ่งจ้อง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 ไม่ลงปัจจุบันเป๊ะๆหรอกตามหลังกันอยู่นิดหนึ่งนะอยู่กี่ขณะดีคุณแต้มเจ้ว่าเจ็มันก็น้อยไปเนะจ้ว่า17บมันบางทีมันก็ไม่ถึง17บนเะบางทีมันก็เป็นมโนทวารวิธีอย่างเดียวนะมีไม่ถึง 17, มีเท่าไหร่จาไม่ได้ละชี้เจ็ดนับนะเริ่มตั้งแต่โวตทัปณนะงั้นดูจิตนะเราตามดูไปคอยรู้สึกไปนะ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 นะเราดูทั้งจิตทั้งเจตสิกเรียนไหมเจตสิกเรียนกันหรื อ, อยังยังเหรอเรียนยังไงวะจิตปัญญาไม่รู้จักเจตสิก <laughs> <c oughs> เจตสิกนะ่ะเป็นธรรมที่เกิดร่วมกับจิตนะทําให้จิตเนี่ยมันวิจิตพิสดารมีจิตนานาชนิดขึ้นมาจิตนั้นโดยตัวมันเองมีสภาวะธรรมอย่างเดียวคือเป็นธรรมชาติรู้ล้วน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 พระพุทธเจ้าพูดถึงสัมมาสมาธิด้วยองค์ฌานอริยมครคนั้นไม่ใช่แปลว่าเวลาที่เราปฏิบัตินี่ต้องเข้าฌานนะแต่อริยมครคจะเกิดขึ้นเองเมื่ออินทรีย์ของเราแก่รอบเต็มที่แล้วจิตรวมเข้าไปแล้วจะเกิดฌานขึ้นเองนะงั้นในขณะที่เกิดอริยมครคจริงๆเนี้ยช่วงขณะจิตเดียวในช่วงขณะจิตนั้นนะองค์มครคทั้งแปดมีอยู่ครบเลย นะโพธิปักคียธรรมสามสิบเจ็ดประการประชุมกันอยู่ตรงนั้นเลยนะโพธชงเจ็ดก็อยู่ตรงนั้นเลยนะไม่ใช่วันนี้โพธชงตัวที่หนึ่งวันนี้โพชชงตัวที่สองอันนั้นไม่ใช่โพธชงหรอกอันนั้นคงชงอย่างอื่นละนะหรือมาร์กก็เหมือนกันนะวันนี้จะอ่านหนังสือให้มากทำสัมมาทิฏฐนะิวันนี้จะทําสัมมาสังกัปปะนะอันนั้นไม่ใช่มาร์กหรอกอย่างนั้นเรียกว่ามาร์กมากนะมาร์กมีหนึ่งท่านนั้นนะเกิดในขณาดจิตเดียวกันนั่นแหละเพนะฉั้นที่ว่ามี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 จะทวนกระแสเข้าไปแล้วมันรู้เลยนะกิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังไม่ได้ละนะถ้าเป็นพระอรหันต์จะไม่ตวนอย่างนี้นะพระอรหันต์จะทวนเข้าไปพิจารณา น, นิพพานเลยนะเพราะไม่มีกิเลสจะเหลือให้ละลนะนี่พวกเราต้องฝึกอย่างนี้นะพอผ่านกระบวนการครั้งที่หนึ่งีเรียกว่าพระโสดาบันหลายคนมักง่ายนะนั่งภาวนาแล้วก็ได้โสดาแล้วส ก, กิทาขาแล้วนะอย่างนี้ไม่ใช่นะ เมื่อเป็นร้าสดาบันแล้วนะเวลาอ้าหมดเวลาจะ ใ, ให้ต่อหรือเปล่าอ้าวต่อไปทานข้าวนะนิมนต์ครับนิมนต์